ขอโอกาสค่ะคือปัจจุบันเนี่ยจะมีพวกตลกเนียนะคะที่ออกตามสื่อตามทีวีเนี่ยสร้างหนังสร้างภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องพระออกมามากอย่างเป็นหนังอย่างที่มีคนดูเนี่ยก็เกิดความตลกคบขันในแง่ของเอาบางมุมของพระหรือกิจวัตรประจำวนันข้อวัดปฏิบัติเอามาล้อเลียน ทีนี้ผลที่ถ้าที่เขาจะได้รับว่าผลที่เป็นข้อเสียหรือได้รับอกุศลวิบากอย่างไรบ้างเจ้าค่ะคื อ, อคือสภาพสังคมในปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่ค่อนข้างที่ใช้คำว่า เ, เสรีตามตามตามอุปนิสัยของคนไทยแล้วก็ไปคิดว่าพุทธศาสนาเนี่ย คำสอนหรือว่าสั ญ, ญลักษณ์ของ พ, พุทธศาสนาเป็นภิกษุก็ดีเป็นสัมมณี น, น, นก็ดีเนะลยกลายเป็นเรื่องที่ที่ไม่ไม่จะทำยังไงก็ได้จะล้อเล่นยังไงก็ได้ซึ่งถ้ารกรณีนี้บ่งบอกถึงจิตใจของคนในยุคนี้เนะี่ยมันมันแย่ลงแย่ลงแล้วก็หยาบหยาบมากขาดปัญญาขาดความเข้าใจในคำสอนอย่างแท้จริง เป้าหมายจริงๆไม่ใช่เพื่อส่งเสริมคุณธรรมใดๆเลยเป้าหมายเป็นเรื่องของทรัพย์เป้าหมายเป็นเรื่องขอ ง, เ, เ, เ, อ ง, ของเศรษฐกิจเป้าหมายเป็นเรื่องของการความอยู่รอดของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อจะได้ดึงทรัพย์ขึ้นมาแต่ก็เลยยึดโยงเอาสัญลักษณ์ของพระพุทเจาพระยาณเอาไปสแสดงซึ่งบุคคลเหล่านี้ไม่เห็นค่าจริงๆเขาไม่มีศรัทธาในาวุฒิญาหรอกแต่ว่าสภาพสังคมนั้นนะ่ะก็ โดยเฉพาะชาวพทุทธก็ติบตันทางด้านความเข้าใจทางด้านคําสอนเพราะติบตันทางด้านความเข้าใจทางด้านคําสอนก็เห็นว่าไม่เป็นไรแล้วที่สุดจริงๆเี่ยรูปแบบที่พระผู้มีพระเจ้าทรงบัญญัติให้ภิกษุให้สมัมมาเนนให้อุบาสกอุบาสิกาทรงชใช้สอนเนี่ยเนีๆๆ่ยเพื่อจะนั้นก็ถูกเอาไปล้อเรียนให้เป็นเรื่องตลกขบขันนะั้นจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วก็ ไม่ว่าจะเป็นการบางทีมีกฎหมายคุ้มครองพระพุทธศาสนามีอะไรก็กมีการ <c oughs> ติงกันมีการอะไรกันที่สุดจริงๆก็ใช้มติของคนที่ไม่เข้าใจคำสอนว่าไม่เป็นไรซึ่งเป็นเรื่องที่น่าน่าแปลกมากแต่บางทีกลุ่มศาสนาอื่นเขาไม่กล้าแต่ต้องกองเขาไม่กล้าเลยขาดมากกลัวมาก กลัวเขาจะโกรธแต่พอมาด้านพุทธศาสนาทำทาทุกเรื่องได้ฉะนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเน่เป็นเพราะชาวพุทธเรานี่แหละซึ่งไม่มีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแทจ้จริงก็มาแสดงกันเอามานั่นเลยถ้าเจอดดูในสาระจริงๆไม่มีอะไรเลยแล้วทำให้คนมีความเข้าใจปฏิบัติทาของพระผิดด้วยเช่นพร ะ, จ, พระ จ, จะไปทากิจบางอย่างอย่างนี้นั้นมันทาไม่ได้ และสัญลักษ์ผ้าเหลืองเนี่ยไปห่มไปเล่นกันอย่างนั้นทั้งๆบุคคลเหล่านั้นบริโภคการรมเกี่ยวข้องกับบุตรและภรรยาเขาเรียกเป็นเครือข่ายเป็นเพศต่ําด้วยเขาเรียกเป็นเพศที่ต่ําก็ตนเองขนาดว่าในชั้นของขิหิวินยัยวิในของด้านของการปฏิบัติต่อพ่อแม่ก็ยังไม่เป็นแล้วกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยครอบครัวก็แตกแยกบางคนเนี่ยนะครอบครัวก็แตกแยก ครอบครัวก็มีการประพฤติล่วงละเมิดศีลข้อสามก็จะผิดกันเป็นอาจินแต่เอาผ้าเหลืองของผู้เอาอาสัิญาของพุทธิยามาห่มก็ไม่รู้ฉะนั้นถามว่าการทำได้ไม่รู้เนี่ยก็ทำได้โมหะทีนี้เมื่อมีโมหะแล้วไม่พอใช่ไหมไอ้ตัวทิฏฐิก็ยึดอีกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่ผิดกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปก็ไม่ไม่ดูในคาสอนของพวกผู้ผพิพาจ้า ที่จริงน่ยถามว่าในชั้นของคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยพระุทธเจ้าไม่ได้ไปทุกข์ร้อนอะไรหรือว่าสงสารวอกคงพุทธเจ้าที่รู้คําสอนไม่ได้ไปทุกข์ร้อนใดๆเลยแต่ประเด็นบุคคลที่เอาไปทําต่างหากกรมที่เขาจะได้รับเนะี่ยมันน่ากรุณานะและอย่างหนึ่งบุคคลที่ไปเสพสื่อเหล่าเนี้โดยไม่ได้พิจารณาแล้วก็ไปถามพระบางองค์ซึ่งถือว่าไม่เป็นไรก็เป็นถือแทกคุณธรรมอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยที่หนักไปกว่า น, นั้นก็คือว่า เออทั้งด้านภาครัฐก็ยังดันมีงบประมาณส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอัดข้อมูลให้เข้าไปอีกนี่ก็เป็นเรื่องไปกันใหญ่ไปเป็นโตเลยนี่คือความไม่เข้าใจระดับสังคมมันบิดเบี้ยวฉะนั้นถ้าหากเข้าใจจริงๆเนี่ยเราจะไม่กล้าเอาสั ญ, ญลักษณ์เหล่านี้มาล้อเลียนมันจะเป็นเหตุทาให้คนเข้าใจข้อปฏิบัติของพระที่ผิดพลาว่าพระทำแบบนี้ได้ เมื่อพระทาแบบนี้มัได้ทั้งบางอย่างมันผิดทําผิดวินยัยโดยส่วนใใช่ไหมมันไม่ควรแม้แเด็กเล็กๆต่กกางๆว่าถ้าถามว่าโดยเฉพาะสังคมบ้านเราเนี่ยเป็นสังคมที่ให้เด็กอยู่กับทีวีให้เด็กอยู่กับโทรทัศน์ให้เด็กอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ให้ทีวีให้โทรทัศน์ให้อินเทอร์เน็ตให้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวสอนซึ่งเด็กก็ขาดวิจารณญาณในการว่าอันนี้คือผิดอันนี้คือถูก อันนี้สามารถที่จะประพืชปฏิบัติอย่างนี้ได้หรือไม่ได้คิดแบบนี้ได้หรือไม่ได้ก็เลยเป็นระบบเสรีภาพที่ไล่จุดหมายปลายทางใช่ไหมเป็นไร่จุดหมายไล่คือแปไปถามว่าเราจะแก้สภาพสังคมอย่างนี้ยังไงถ้าเรามามองดูว่าในชั้นคาสอนมันต้องกระตุกกันลงมาว่าเออมันจะไปกันใหญ่แล้วใช่ไหมสภาพสังคมมันจะไปกันใหญ่แล้วว่า เมื่อสภาพจิตใจของเราเนี่ยเนะี้ยมันหยาบขึ้นเนี่ยมันจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เป็นไรได้วยความเข้าใจของตอนเองขนาดว่ามีการติงกันนะคณะกรรมการส่วนหนึ่งก็พยายามไปติงเนี่ยก็พยายามเนะี่ยแก้คําพูดบางคําอย่างเงี้ยทั้งทั้ ง, ท, งทั้งตอนทั้งประโยคหรือทั้งเรื่องราวเนี่ยนะีมันใช้ไม่ได้หมดเก็ไปหักมุมนิดหน่อยเลี่ยงกฎหมายท่านิดหนึ่งเพื่อใจผ่านสภาพสังคมมันเป็นแบบนี้นะ เพราะเขาถืออะไรรู้ไหมเขาถือว่าการทําผิดกฎไม่ผิดกฎหมายมันไม่เป็นไรไงก็อย่างยกตัวอย่างเช่นเราต้องดูว่าสภาพสังคมนี่นะสังคมที่ทําผิดกฎหมายเขาก็อย่างนี้เขาเรียกคนไม่ดีในภาพสังคมนะเช่นทําผิดกฎหมายเนี่ยแต่ในขณะที่ทําผิดกฎเมาเอ อ, เ อ, อคนไม่ดีเขาก็ถูกจับติดคุกติดตารางหรือถูกปรับตามโทษโทรศานุโทษนั้นๆนะนี่กลุ่มหนึ่ง ส่วนอีกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกคนดีในสังคมทุกวันนี้คือคนทําถูกกฎหมายเช่นเขาจะฆ่าปลากระได้ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูฆ่าแมวอะไรก็แล้วแต่เถอะเขาถือว่าเขาฆ่าได้จะฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่ายุงก็กระทําเขาเป็นปกติมันไม่ผิดกฎหมายนี่อันนี้คือคนดีมาตรฐานคนดีก็จะตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ก็ได้ก็เป็นเรื่องปกติของเขาเพราะเขาไม่ผิดกฎหมายไงอันนี้คือคนดีของสังคมเขาเนอะ คนดีในลักษณะอย่างนี้นี่คือคนดีมีหน้ามีตาในสังคมคือสามารถประกอบธุรกิจการงานอะไรต่างก็เป็นไปก็อย่างนี้แหละนี่คือคนดีแต่อันนี้ถ้าเอาคำสอนไปวัดก็ละเรื่องกันเลยนะเนี่ยเราจะได้จะได้สังเกตอีประการต่อมาก็คือสภาพคนดีในสังคมที่ว่าเข้าวัดฟังธรรม กุ่มบุคคลเหนี้ก็เออถือว่าไม่เป็นไรแต่ว่าสัตว์ใหญ่อย่าไปฆ่านะสัตว์เล็กๆไม่เป็นไรหรอกตบยุงบ้างจะมดบ้างก็มันกาดแล้วอ่ะจะพูดโกหก บ, บ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรใช่ไหมจะเสียสัจจาวบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเพราะเราก็คนดีเนี่คนเข้าวัดเข้าวานี่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นซึเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเพราะก็คนดีนะเนี่ยจริงๆนะใช่ไหม พราะถ้าสภาพสังคมให้ยอมแล้วเขาว่าคนดีแล้วคนดีกันหมดเลยแลก็สดจริตด้วยประกอบอาชีพเดี่ยวเขาจะโกรธใครก็ได้นะจะโกรธใครอยากจะว่าใครอยากจะอะไรต่างๆก็ได้อย่างเนี้นะจะโกรธใครจะถึงตามองใครก็ได้จะชี้หน้าว่าใครก็ได้ในในในคอนท้นตนเองที่ดูแลอยู่เี่ยได้แต่นี่คนดีมีศีลว่างั้นแต่ไม่ใช่มาตรฐานของชาวพุทธถ้มาตรฐานของชาวพุทธจริงๆเนี่ยเขวัดกันที่ศีลห้ากุศลกรรมบท ถ้าต้องการอยากจะเป็นมนุษย์อีกนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมนุษยธรรมใช่ไหมทำที่จะไม่เป็นมนุษย์เนี่ยสิทธิในความเป็นมนุษย์เนี่ยนะสิทธิที่จะได้ได้ฐานะความเป็นมนุษย์มาจากศีลหบริบูรณ์แล้วก็กุศลกรรมบท10คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลกศาศามัลกทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาลไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคำหยาบเพื่อเจิดนือคือไม่ดื่มน้ําเมาเนี่ยนะถ้ากุศลกรรมบทสิบก็คือนั่นแหละไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาล คำพูดต้องไม่พูดเท็จ ด, ด้วยต้องไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อจิตต้องไม่โลภด้วยต้องไม่โกรธ ด, ด้วยเราต้องเป็นสมาธิเห็นไมธรรมมาตรฐานของเราที่เกิดมาเรามาจากกุศลประเภทนี้อถ้าต้องการจะเป็นมนุษย์อีกก็ต้องทํากุศลกรรมบทสิทธิ์ี่ห้าให้บริบูรณ์ถ้าไม่บริบูรณ์ก็หมดสิทธ์เลยสิทธิในความเป็นคนก็หมดปะไม่ได้แล้วจะได้ยังไงแต่ก็ความก็ต่าํากว่าสถานะความเป็นคนปะ มันเป็นอย่างนี้เลยนะหลักนี่คือหลักหลักถ้าหลักอะไรเขาห ล, หลักเหตกับผลที่ตรงกันถ้าปรารถนาจะเป็นมนุษย์อีกก็ต้องดูแลว่าเรามีศีลห้าไหมมีกุศลกรรมบทชสิบไหมถ้าไม่มีก็จบร่มให้ใจขาดก็หมดเลยอย่างเงี้ถึงต้องการอยากจะเป็นเทวดาอา้าวไม่ใช่ศีลห้าแล้วต้องเป็นศีลแปดกุศลกรรมบทชสิบต้องต้องยืนไว้ต้องสมาทานให้มั่นนี่คือเทวดา ถ้าจะเป็นพรมล่ะต้องปฐมวาชาทุติาอาชาลเอเต้องพัฒนาจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแอย่างเงี้ยนะไล่ไปตามลำดับหรือถ้าต้องการจะพ้นทุกข์ล่ะก็เดินตามหลักของมัชฌิมาปฏิปทาเลยฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้จะเห็นนะนะฮะสี่ห้ากุศลก ร, รมบทสิบต้องกำกับด้วยว่าจีสุจริตสี่ไม่พูดเทส ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจอ้อคำว่าไม่พูดเท็จเนี่ยนะก็คือก็คือมีสัจจะวจีสัจจะนั่นเองบอก เ, อเห็นบอกว่าไม่เห็นอย่างนี้ขัดวจีสัจจะเนะ่ไม่ได้ยินบอกว่าได้ยินมันเป็นศีลนี่วจีสัจจะแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องไป ไปพิจารณาหลายๆส่วนนะกรณีที่บอกว่าเออคนบางคนเ็าจะใช้คำพูดดูดูแลสินตัวเองถ้าเขาถามบอกว่าเออพรุ่งนี้จักได้มาไหมสมมุตินะแล้วบอกเออเดี๋ยวพิจารณาดูก่อนนะอย่างงี้นะอาจจักไม่แน่เหมือนกันจวดูดูงานก่อนอันนี้อันนี้อีกมุมหนึ่งนนเนี่ยอันนี้ตั้งหลักตัวเองไว้แล้วแต่อย่าตั้งแบบนี้บ่อย <c oughs> มันจะมันจะติดโภคสัยนี่ไปติดแบบนี้เรื่อยเลยแต่เนี้ยคนนี้เอาไงก็ก็ตั้งท่านั่นเลย